อีกสูตรหนึ่งนะสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนก่อนกลับบ้านมาดู <c oughs> ลักุนตะกะพัทยสูตรเนี่ยนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแหลท่านพระลักุนตกะพัทยะกําลังเดินมาข้างหลังของพิกสุปเป็นอันมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นท่านพระละกุลทกะพัทยะเป็นคนค่อมมีผิวพันธ์ซามไม่น่าดูพวกพิกษุดูหมิ่นโดยมากเดินมาข้างหลังของพิสุเป็นอันมากแต่ไกลครั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสถามพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุนั่นเป็นคนค่อมมีผิวพันธ์ซามไม่น่าดูพวกพิกษุดูหมิ่นโดยมากกําลังเดินมาข้างหลังข้างหลังของพิสุเป็นอันมากแต่ไกลหรือไม่ ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็สมาบัติที่ภิกษุนั้นไม่เคยเข้าแล้วเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายภิกษุนั้นทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรันทร์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระรูปนั้นที่รูปไม่งามเนี่ยนะรูปนั้นเนี่ยเป็นพธาตุหันนะ ทางก็บอกพระ อ, องค์บอกว่าอรหันต์ก็คือเตือนนะนะเตือนว่าอย่าไปล่วงเกินท่านนะล่วงเกินท่านนะก็ประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากพระองค์ทราบเนื้อความนั้นะก็ตรัสว่ารถคืออัตภาพนะร่างกายของเราเนี่อุปมาเหมือนรถมีศีลอนหาโทษไม่ได้เป็นประธานเป็นองค์เป็นประธานนะศีลเนี่ยจะต้องเป็นเป็นองค์ควบคุมรถใช่ไหมศีลเนี่ยควบคุมกายวาจามไม่ให้มีโทษ มีหลังคาคือบริขารเขาอันนี้หมายถึงอรหัตผลมีกรรมคือสติอันเดียวเล่นไปสี่กรรมคือสติเนี่ยเป็นไปเชิญดูรถคืออัตภาพนั้นอันหาทุกไมิได้ น, นะระรถคืออัตภาพของพร ะ, ะละกุนทกาพะพัทยาเนี่ยนะเป็นอัตภาพที่ไม่มีโทษเลยมีกระแสตันหาอันตัดขาดแล้วหาเครื่องผูกไม่ได้เล่นไปอยู่นี่คือสิริรัของพระอรหันต์ที่เล่นไป เรื่องราวยู่ว่าวันหนึ่งท่านพระลกุลกะพัทยะพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากเที่ยวบินทบาตในละแวกบ้านฉันพัะตาหารเสร็จแล้วล้างบาทใส่ถลกคล้องไว้ที่บาทจีบจีวรผ้าจีวรนั้นไว้บนบาซ้ายนะจีบก็คือเก็บเก็บเก็บภ้พวางบนบาเก้าวไปถอยกลับเลดูเลียว ด, ดูคูเหยียดหน้าเลื่อมสมีในตาทอดลงสมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ เหมือนประกาบความไพ่บู์ด้วยสติปัญญาของตนตั้งสติสัมปชัญญะไว้มั่นมีจิตเป็นสมาธิทอดก้าวเท้าย่างไปเมื่อจะไปก็ไปตามหลังพิสุทั้งหลายไม่ปะปนด้วยภิกสุเหล่านั้นนะเขท่านเป็นพระอรหันต์ที่สงบเส ง, เงี่ยมท่านก็ให้คนอื่นเขาไปก่อนท่านก็ค่อยๆเดินตามขขาหลังเข้าไปเพราะเหตุไรเพราะท่านเป็นผู้ไม่คลุกคลีอันหนึ่งปุถุชนทั้งหลายย่อมดูหมิน่นรูปของท่านว่าน่าดูเหม็น แล้วก็รูปของท่านเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความดูหมิ่ น, น, นแสดงว่าด้วยกรรมที่เคยไปดูหมิ่นคนอื่นเอาไว้ในอดีตชาติขนาดเป็นผ้าหาันแล้วคนอื่นก็ยังดูหมินเนี่ยนะสมัยพุทธกาลนี ย, ยังถูกดูหมิ่นเลยเนะพระเทราบดังนั้นเนี่ยนะก็ท่านจะไม่เดินไปข้างหน้าเดี๋ยวคนอื่นจะดูหมินท่านเพราะท่านดูจักภายนอกและไม่น่าเลื่อมใสเนี่ยนะด้วยเหตุผลหลายประการท่านไม่น่าศรัทธาท่านก็ให้คนอื่นเข้าไปก่อนท่านเดินตามหลังเขา เพราะคิดว่าภิกษุเหล่านี้ยาได้ประสบบาปเพราะอาศัยเราเลยเนี่ยนะก็เหตุผลที่ท่านมาเป็นคนที่รูปไม่น่าเลื่อมใสก็เนื่องจากเคยดูหมิ่นคนอื่นเอาไว้ในอดีตมันชาตินี้ท่านเลยไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสที่นี้แปลกนะกิเลสเนี่ยมันถ้ากิเลสสายไหนมันจะใกล้กันถ้าเพราะอะไรนะอย่างรูปที่เคยถูกดูหมิ่นคนอื่นมาก่อนเนี่ยก็จะถูกคนอื่นดูหมิ่นตามมาเนี่ยนะคล้ายๆกับว่า คนอื่นก็ประสบบาปตามไปด้วยทั้นก็ให้คนอื่นเข้าไปก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขาจะแบ่งบาปไปเนี่ยนะแตจะได้บาปใหม่ๆไปเพราะท่านเนี่ยก็รับผลแห่งบาปเก่าแล้วเพราะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสภิกษุเหล่านั้นและพระเถระถึงกรุงสาวัตถีเข้าไปยังพระวิหารเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถึงที่ประทับด้วยประการชนี้ปกติแล้วท่านเป็นรูปหน้าเกลียดเนี่ยนะก็คือแปลว่าคนที่รูปไม่สวยนะวันณะไม่ดีแล้วก็สวดส่งก็ไม่งามอะไร โทษทศิจกังก็คือเห็นแล้วก็ไม่น่าเลื่อมใสหมายคือว่ารูปร่างของท่านเนี่ยดูแล้วยังไงก็ไม่น่าศรัทธาบทว่าโอโกติมากังแปละวะ่าเตี้ยไม่สูงอะไรเลยนี่นะบอกว่าบทว่าเยโพเยนาพิกขูนังปริภูตรูปังแป ล, ปลว่ า, วาผู้มีรูปร่างอันปุถุชนทั้งหลายดูหมินนะพิกษุ ป, ปุถุชนนะยังไม่เลื่อมใสเลยว่ากันพิกษุ ป, ปุถุชนบางพวกเช่นพระจับฉับพระคีนะ ชาพักคีบแล้วว่าพักหกนะี่ยหรือพวกหกพวกนี้ไม่รู้คุณของท่านจับลูกคลำเล่นที่มือและใบหูของท่านดูหมิน่นพระอริยเจ้าหรือกรัลรยาณพุทุชนไม่ดูหมิน่นถ้าพระอริยและผู้พุทุชนผู้มีศีลท่านก็สํารวมกันอ่ะนะแต่ว่าแหมพระชาพักคีนี่ก็ไปล้อท่านเล่นอ่ะนะจับมือจับหัวจับเท้าจับไปหูลูกเล่นบางแห่งก็บอกว่าท่านไม่อยากศึกเลยหรืออะไรเงี้ยคุยไปคุยมาเดีย๋ยวขาดทุนหมดพระองค์ก็ตรีอภิสุทธ์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเรียกภิกษุทําไมเพื่อประกาศคุณของพระเถระได้ยินว่าพระองค์นําเรศอย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านี้ไม่รู้ว่าบุตรของเราเนี่ยมีอนุภาพมากบุตรคือคือคําว่าบุตรในที่นี้คือผู้ที่รับอริยทรัพย์เป็นธรรมทายาจากพระองค์พระองค์ก็เรียกว่าบุตรเพราะเหตุนั้นจึงพากันดูหมิ่นเธอการดูหมิ่นนั้นน่ะจักเป็นไปเพื่อสิ่งไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกขตลอดกาลนาน ั้การดูหมิ่นพระริยเจ้านี่ยังไงก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดูใครสุปปาผูท้ากุฏิคนเป็นที่เป็นโรคเรือนใช่ไหมนั่นก็เพราะดูหมิ่นพระริยเจ้าถ้าไปดูหมิ่นพระริยเจ้ารูปนี้เข้ารูดูหมิ่นพระอรหันอะไรจะเกิดขึ้นท่้นเอาละเราจะประกาศคุณของภิกษุนี้แก่ภิกษุทั้งหลายปลดเรื่องเธอให้พ้นจากการถูกดูหมิ่นแล้วก็คนอื่นก็จะไม่ต้องไปเปื้อนบาปแบบนั้น ที่บอกว่าสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะที่ท่านไม่เคยเข้านี่หายากสมาบัติเหล่านั้นอะไรบ้างสมาบัติเหล่านั้นไม่ทั่วไปแก่พระสาวกขออภัยสมาบัติที่ทั่วไปแก่พระสาวกไม่ว่าจะเป็นรูปประชานสมาบัติเนี่ยท่านเข้าเกือบทุกอย่างเลยนะน้อยมากที่ไม่ได้เข้าหรืออรูปสมาบัติท่านก็เข้าได้พรหมิหารสมาบัตินิโรธสมาบัติพละสสมาบัติสมาบัติเหล่านั้นสมาบัติแม้อย่างหนึ่งไม่ใช่ได้โดยง่ายคือได้โดยยาก แต่สมาบัตเหล่านั้นที่ไม่เคยเข้าสมาบัติไม่มีเลยท่านเข้าได้ทุกสมาบัติทั้งรูปประชาญารูปปชาญา น, นะสมาบัตแ8ดท่านก็ได้พระมิหารสีท่านก็ชํานาญนีโรสมาบัติท่านก็เข้าได้อรหัตผลสมาบัตท่านก็ปกติเนี่ยนะเพรา ะ, ะท่านมีคุณธรรมขนาดนี้ประกาศว่าท่านนี่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนะก็คือเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมากเลยแต่ว่าอย่างว่าไม่ได้ดูการที่รูปใช่ไหมมาดูที่รูปก็เห็นแล้วก็อดดูหมิ่นไม่ได้ พระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้ไม่ใช่ภิกษุพอดีพอร้ายก็แปลว่าไม่ใช่ภิกษุปกติธรรมดานะใครๆไม่ควรจะดูหมิ่นเหตุเพียงเท่านี้ว่าเป็นผู้มีรูปหน้าเกลียดไม่น่าดูเตี้ยและว่าเดินตามหลังภิกษุทั้งหลายานะว่ารูปนี้ปกติเข้าไปไหนก็จะเดินตามท้ายเขาหมดไ ม, ไม่ไม่ยอมเป็นหัวหน้าเดินนำหน้าเขาหรอกเดินตามท้ายเข า, เานะอย่าไปว่าท่านนะท่านเนี่ยเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ความจริงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระสาวกพึงถึงคือพึงได้สิ่งนั้นภิกษุลักุนท่าัทยาเนี่ยท่านได้แล้วโดยลําดับเพราะฉะนั้นพึงทําภิกษุนั้นให้เป็นที่หนักแน่นดุ ด, ฉ, ดฉัดหินแล้วจึงดูเพราะฉะนั้นให้ดูแล้วดูให้ตั้งไว้ด้วยความเคารพตั้งไว้ด้วยความยำเกรงอย่างแรงกล้านะการดูด้วยจิตใจที่เคารพเลื่อมใสายข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานแก่เธอทั้งหลาย ตรงกันข้ามถ้าไปดูเพื่อจะดูหมิน่นเหยียดย้ำดูแคลนพูดจาแทะเลมด้วยอํานาจบาปอากุศลอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้ดูด้วยตั้งไว้ด้วยความเคารพตั้งไว้ด้วยความยำเกรงอย่าไปดูถูกอย่าไปดูหมิน่นอย่าไปเหยียดยม้มอย่าไปดูแคลนนะเคารพให้ดีๆเลยแหละเหมือนฉัดหินเลยนะเหมือนฉัดหินบทว่าเอตมัตถังวิธิตาวาความว่าพระองค์ทราบโดยอาการทั้งปวงซึ่งกองแห่งคุณ อกองแห่งคุณคืออะไรบ้างสมาบัตรรูปสมาบัติอารูปสมาบัติพรหมวิหารสมาบัตรนิโรธสมาบัตรผลสมาบั ต, บ ต, บติเป็นต้นของท่านแล้วเนี่ยนะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็แปลงอุทานนี้เขาบอกว่ารถคืออัตภาพมีศีลอันหาโทษไม่ได้เป็นองค์ประธานเนี่ยนะเพราะว่าท่านนั้นกำจัดโทษได้หมดแล้วท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ด้วยดี จริงอยู่ศีลที่บริสุทธิ์ด้วยดีนั้นท่านประสงค์เอาว่าเนละในพระคถาเนี่ยเพราะไม่มีโทษคือพระเถระเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลกายกรรมก็สะอาดวจีกรรมก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยนะภิกษุนั้นชื่อว่าเนลังคะเพราะมีองค์อันเป็นประธานหาโทษไม่ได้ตำหนิติเตียนท่านไม่ได้เลยในเรื่องศีลในเรื่องในเรื่องการสังวรปิดบาปกัน้นอกุศลทั้งหลายเนี่ยเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ มีองค์คือศีลที่บริสุทธิ์อยู่และศีลไม่ใช่ศีลธรรมดานะไม่ใช่ศีลแบบโลกิยะศีลทั่วๆไปไม่ใช่ศีลที่เกิดร่วมกับโสดาสกธาคามีนาคามีแต่เป็นศีลที่สัมพยุติกับอรหัตผลนะเป็นศีลของพระอรหันเนี่ยนะเป็นศีลของพระอาเสขะนะเพราะท่านมีคุณธรรมกองแห่งอาเสขะธรรมเช่นศีลอันเป็นของพระอาเสขะสมาธิอันเป็นของพระ อาเสขะปัญญาอันเป็นของพระอาเสขะวิมุตมติยานลัทศิสนะอันเป็นของพระอาเสขเพราะฉะนั้นศีลของท่านระดับอรหัตผลอ น, นะอัตภาพดุดรถชื่อว่ามีหลังคาขาวเนี่ยนะผ้ากำพลที่ลาดไว้บนหลังรถรถคืออัตภาพนั้นมีสีขาวมีสีแดงสีเขียวเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งภาว ะ, ะเพราะมีภาวะขาวหมดจดด้วยดีในที่นี้ ไอ้คำว่ามีหลังคาขาวเนี่ยเพราะอาศัยภาวะที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหตุประสงค์เอาความหลุดพ้นด้วยอรหัตผลเพราะฉะนั้นคําว่ามีหลังคาขาวหมายถึงหลังคาคืออรหัตผลนั่นแหละเหมือนที่อุปมาว่ารถมีเครื่องบริหารเข า, ขากรรมอันหนึ่งกรรมเนี่ยนะก็คือสี่กรรมคือสติของรถมีอยู่เพราะเหตุนั้นรถนั้นมีกรรมอันเดียวรถในที่นี้หมายถึงอัตภาพของพระเถระ อัตภาพของท่านนี่อานีคังแปลว่าไม่มีทุกข์เป็นอัตภาพที่ไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะเว้นจากความกําเริบแห่งกิเลสดุจยานที่เว้นจากการสั่นฉะนั้นนะถ้าถ้ารถสมัยโบราณเนี่ยถนนไม่ดีใช่ไหมมันก็สั่นมันก็ถือว่าทุกข์ฉันใดอัตภาพร่างกายของพระอรหันต์รูปนี้ท่านก็ไม่เกิดกิเลสเป็นเหตุให้ท่านทุกข์กิเลสไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อนอย่างสมุนโรคบางอย่างมีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยนะ กลุ่มโรคที่มีจิตเป็นสมุทฐานท่านละได้หมดแล้วเพราะละจิตตัวนั้นได้ที่เป็นเหตุให้เกิดโรคได้หมดแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะจิตใดที่สามารถรักษาโรคได้จิตเหล่านั้นท่านก็มีอยู่นี้อรหัตผลของท่านเนี่ยนะเป็นตัวที่ห้ามอุปปปีและกตกรรมได้ทั้งหลายอย่างบาป ท, ที่พึงจะให้ผลทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะติดตามมาให้ผลได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นท่านเป็นที่เคารพ บ, บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันชีวิตของท่านชื่อว่าเป็นชีวิตที่ไม่มีทุกข์ ท่านเดินมาข้างหลังภิกษุเป็นอันมากท่านได้ตัดกระแสแล้วเขาบอกว่ากระแสแห่งเนยใสยและน้ำมันเป็นต้นที่ฉาบทาที่หัวเพลาและดมไหลไปคือบ่าไปเพื่อให้รถแล่นไปตามสะดวกสมัยนี้เรียกอะไรน้ำมันหล่อเลื่อนนะนะเรียกว่ากระแสตัดขาดคือน้ำมันหล่อเลื่นที่หยอดเอาไวท้ที่หรือพวกจาระบีเป็นต้นน่ยนะเพราะฉะนั้นรถนั้นจึงชื่อว่าไม่เอ่อมีกระแสยังไม่ขาด ปกติแล้วกระแสที่มันหล่อลื่นตามอย่างพวกจารบีพวกอะไรที่อัดตามล้อตามดุมตามอะไรเนี่ยนะถ้ารถที่ยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ว่ารถไม่ขาดแต่รถของพระเถระชื่อว่าขาดแล้วเพราะละกระแสกิเลสสามสบหกได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะก็คือตัดสมุทยัยตัดฉันทราคะได้อย่างเด็ดขาดรถที่ขาดกระแสนั้นแล้วชื่อว่าอภันธโนรถนั้นไม่มีเครื่องผูกเครื่องผูกทั้งหลายของรถเครื่อง เรียกว่าเครื่องปรุงพร้อมกับเพลาย่อมมีมากเพื่อทำไม่ให้รถนั้นคลอนแคลนถ้าเป็นรถสมัยใหม่ก็คือน็อตเต็มไปหมดเลยนะมีแต่น็อตมีแต่ขันมีแต่เกลียวมีแต่อะไรติดไว้แน่นไปหมดแต่รถของพระเถระไม่มีเครื่องผูกไม่มีเกลียวไม่มีน็อตเพราะเครื่องผูกคือสังโยชนี่สิ้นแล้วไม่มีเหลือแปลว่าพร้อมที่จะเป็นรถที่เลิกวิ่งในวัฏฏะสักทีหนึ่งนะจบสักทีหนึ่งเป็นรถที่ไม่มีเครื่องผูกเพราะฉะนั้นเชิญดูเชิญดูรถอันนี้ สรุว่าภาษาสดาแสดงท่านพระละกุลทกะพัทธิยะให้เป็นผู้มีจักด้วยดีโดยยกอรหัตผลขึ้นเป็นประธานให้เป็นผู้มีสิ่งกำบังอันข้ามพ้นด้วยดีด้วยวิมุตต์อันสัมปยุทธ์ด้วยอรหัตผลให้เป็นผู้มีกำบังด้วยดีด้วยสติอันตั้งมั่นด้วยดีให้เป็นผู้กำเริบอ่าขอไปให้เป็นผู้ไม่กำเริบเพราะกิเลสเครื่องกำเริบไม่มีให้เป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่อง ไล่ทาเพราะเครื่องไล่ทาคือตัญหาไม่มีให้เป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องผูกพันเพราะไม่มีสังโยชน์เป็นต้นให้เป็นดุดรถเทียมด้วยม้าอาชาในาประกอบดีแล้วมีเครื่องปรุงดีแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการยกย่องสันเสริมพระ ะละกุลทะกะพัทยะเนี่ยนะว่าท่านเนี่ยเป็นพระอารหันต์มีการหลุดพ้นด้วยอรหัตผลมีสติตั้งมั่นอย่างดีไม่มีกิเลสเครื่องกำเริบไม่มีตัณหาเป็นเครื่องชาบทารูปไหลไม่มีสังโยชน์ผูกพันในวะเอาไว้ในวัตตะเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพระที่ควรเคารพสักการะควรแก่เครื่องบูชาส่วนสูตรต่อไปนี้ก็คงเป็นพรุ่งนี้นะเชิญผ่าน